ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่หวั่นไหวเอ่อความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่อาศัยถ้าไม่อาศัยตันหาแล้วทิฐิก็ย่อมไม่หวั่นไหวถ้าดับตันหาดับอวิชชาได้แล้วหรือดับมิจฉาทิฐิได้แล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวดับตันหานี่ต้องดับด้วยอะไรสมถะดับทิฐิต้องดับด้วยวิปันสนาไม่อาศัยตันหาด้วยอํานาจสมถะพราะะฉนสมัยใหม่ก็บอกก็อย่าอยากส <og S 1> ิอย่าโง่สิ ไม่ได้ต้องมีคุณธรรมที่มากำจัดความอยากมีคุณธรรมมาเพื่อกำจัดความโง่สมถะเป็นคุณธรรมเพื่อกำจัดความอยากคือตัณหาวิปัสนาเป็นตัวกำจัดความโง่เพราะใครที่ไม่หวั่นไหวได้ก็เนื่องจากมีคุณธรรมที่ไม่หวั่นไหวคุณธรรมที่ไม่หวั่นไหวคือสมถะและวิปัสนาเมื่อมีคุณธรรมคือสมถะและวิปัสนานี่แหละจึงไม่หวั่นไหว ไม่ใช่ว่าก็อย่าอยากสิก็อย่าโ ง, ง่สิมีเจริญมีสติสัมปชัญญะสิเมืพูดง่ายมากทําได้ ไ, มไหมล่ะยังไงพันคำสอนของพระพุทธเจ้ากับคําสอนของปุถุชนเนี่ยจะต่างกันปุถุชนบอกมีนั่นสิมีนี่สิเหมือนกับว่าอ ย, อยากได้รถสักคันหนึ่งก็ซื้อสไิไม่มีอะไรสักบาทไม่ซื้ออะไรใช่ไหมชันใดก็ดีนี้ก็เหมือนกันเพรันไอ้ที่จะละตัณหาได้ก็ต้องมีสมถะเนี่ยนะกุศลธรรมคือสมถะนี่แหละเป็นตัวที่กําจัด ความยากกุศลธรรมคือวิปัสสนานี่แหละเป็นตัวกำจัดมิจฉาทิฐิออก็ฟงบอกก็อย่าไปคิดผิดสิแหมใช่ง่ายมากนะยายายาถ้ายาได้ขนาดนี้ก็บรรลุ ก, กันนานหมดแล้วแต่เนื่องจากว่าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะต้องมีคุณธรรมที่เป็นคู่ปรับสมถะเป็นคู่ปรับต่อตันหาวิปัสสนาเป็นคู่ปรับต่อมิจฉาทิฐินี่นะปัญหาสั้นคไอ้สมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรนี่สิอยากอีกกำลังเลยเรื่องยาวเลยคนนี้ สรุว่าวิปัสสนานั่นแหละเป็นวิชาวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นวิชาความดับแห่งอวิชยาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชาถ้าวิชาเกิดขึ้นสารอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะก็ดับถ้าสลายตนะดับภาษาก็ดับถ้าภาษ่าดเวทนาดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับ อุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมณัสและอุปาญาตก็ย่อมดับความดับแห่งวัตถุทุกสังขารทุกทั้งมวลก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่นะนั้นถ้ากล่าวอาวิชาเกิดขึ้นปับ๊บเนี่ยต้องจบลงที่ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขถ้าวิชาเกิดขึ้นปับ๊บก็ต้องฟังปั๊บต้องไปจบที่ความดับแห่งกองทุกนั้นแตะหัวปับ๊บต้องถึงเอา้าก็เราเคยแตะเด็กไหม แตะเบรกแล้แตะที่หนึ่งมันจะถึงไหนนะก็ต้องลักษณะนะั้นต้องเรียกว่าเหมือนกับไฮดรลิกอนะไรนะกดตรงนี้ป๊อปก็ต้องถึงถึงโน่นแล้วนะก็ต้องเป็นแบบนั้นจริงศึกษาธรรมะเนี่ยนะก็ต้องสา ม, มารถจะหยั่งลงแบบนี้ถ้าหยั่งลงแบบนี้ไม่ได้โยมาสมควรจะบรรลุได้ไหยนะเกือบเลยฉ <laughs> ลาดเท่าเดิมแต่บรรลุแล้วเนี่ยนะแม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเขามายัางหนักใจอยู่เนี่ย หนักใจคนที่ว่าอะไรถนะ้าเขาบรรลุแล้วแต่กิเลสเท่าเดิมเนี่ยนะนี่หนักใจมากเลยเพราฉันจะต้องจะต้องมีไอ้แคกว่าความเข้าใจที่เรียกว่ากระตุกหัวต้องรู้ถึงท้ายแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ายืนอยู่บนถนนหันหน้าปั๊บรู้เลยว่าข้างหน้าคืออะไรใช่ไหมถ้าหันหลังกลับปั๊บรู้เลยว่าข้างหน้าต่อไปนี่คืออะไรชั้นใดก็ดีถ้ากล่าวว่าสมถ ะ, ะถ้ากล่าวว่าความไม่หวั่นไหวด้วยอํานาจแห่งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะ ก็ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิพันอาศัยสมถะและวิปัสนาถ้าผูส้สมถะวิปัสนาถ้าสิ่งเหล่านี้ประชมกันเรียกว่าวิ ช, า ว, ช า, ว า, าวิชาเกิดขึ้นปั๊บก็ดับวัตถุทุกได้แน่ถ้าอวิชาเกิดขึ้นปั๊บก็วัตถทุกขเจริญแน่ก็มองเอาว่าสองจะเดินเส้นไหนสองเส้นเนี่ยน ะ, จะเจริญวิชาหรือจเจริญอวิชาสําคัญที่สุดนะมันต้องรู้ว่าอาวิชามันคืออะไร บางคนก็แปลแต่ศัพ์เล่นแต่ศั์ก็ไม่รู้ะนะตกลงอ่ะไม่รู้อะไรจึงจะเรียกว่าอวิชชาสรุปว่าต้องไม่รู้อริยสัจไม่เห็นอริยสัจเอาเอาตรงนี้เป็นหลักเป็นประมาณนะไอ้ความไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละเป็นอวิชชาพัน้าไม่เห็นอริยสัจอย่างเดียวจบลงที่ไหนจบลงที่ไหนก็สรุปว่าสร้างวัตตะจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ถ้าวิปัสสนาหรือปัญญาเห็นอริยสัจนี่จบลงที่ไหนก็จบลงที่การ ตรัสรูธ้ธรเป็นต้นเนีก็ต้องแยกสองกลุ่มนี้ให้ออกให้ได้การที่สามารถแยกสองกลุ่มอย่างลงโดยปฏิจจส ม, มุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าปฏิจจส ม, มุปปาโทตรณนะอย่างลงปฏิจจส ม, มุปบาทอย่างลงปฏิจจส ม, มุปบาทได้ก็เท่ากับอย่างลงอริยสัจได้เพราะนั้นถ้าฟังทําแล้วอย่างลงปฏิจจส ม, มุปบาทไม่ได้อย่างลงอริยสมมัจไม่ได้ทําไงดีคะนี้ไม่รู้จะทําอะไรนะว่ามันทอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกับว่า ถ้ายังไม่เข้าใจแล้วก็รีบได้ไหมบวกอะไรนะทํอาอุยในโลกนี้อะไรจะเลวร้ายเท่ากับความไม่รู้อีกแล้วเลวร้ายจริงๆแต่จริงนะพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้โหไอค้คำว่าทำเอกทําเอกแล้วว่าทำอันหนึ่ทววทงที่เป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยนะที่ที่ไม่มีอะไรจะกลางกั้นเท่ากับ น, นี้อีกแล้วทําเอกอันนั้นก็คืออวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะ ในบรรดาเครื่องกลางกั้นทุกชนิดนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมเพื่อให้ตรงกันข้ามกับอวิชชาเพื่อให้เกิดความรู้ถ้าวิชาเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้น น, นะภาปกติของเราทั้งหลายเนี่ยคืออยู่ด้วยอวิชชาสังสารวัฏก็เจริญถ้าเนื่องจากชีวิตของผู้ที่มีวิชาวิวัตะก็เจริญวิวัตะคืออรยิยมรรคเป็นต้นก็เกิดขึ้นวิปัสสนานั่นแหละเป็นปัญญาขันธ อันนี้เป็นการอย่างลงสู่ขันทั้งหลายกองแห่งปัญญาปัญญาไม่ใช่มีอย่างเดียวปัญญาก็ไม่ใช่มีขณะเดียวเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่แค่เกิดนิดๆ น, นิ่ น, น, น, น, น, น, นๆใช่ปัญญาต้องเกิดมากก็เลยเรียกว่าเป็นขันเป็นเป็นขันเลยนะปัญญานี่เกิดมากเขาเรียกว่าเป็นปัญญาขันกองแห่งปัญญา วิปัสสนานั้นเนี่ยนะได้ได้สองอินทรีย์นะได้สองอินทรีย์คือวิริยินทรีย์และปัญญินทรีย์อันนี้เป็นการหยั่งลงสงเคราะห์ด้วยอินทรีย์ทั้งหลายก็อย่างว่านะปัญญาเนี่ยรอให้มันเกิดลอยๆอยไหมไม่ไม่ได้เกิดลอยลอยจะต้องอาศัยความเพียรถ้าที่ใดมีปัญญาที่นั่นแสดงว่ามีความเพียรที่ใดมีความเพียรแสดงว่าที่นั่นมีปัญญาปัญญาเนี่ยนะปัญญาไม่ได้เกิดกับคน เกียดคร้านเลยเนี่ยนะคนฉลาดทั้งหลายเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็งัวงเงียแล้วทำอะไรได้เลยใช่ไหมไม่เนี่ยนะพวกนี้ทำการบ้านสูงมากนะปัญญาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆต้องอาศัยความเพียรนนนะวิปัสนาเนี่ยนะวิปัสนาได้อินรีสองคือวิริยะกับปัญญาถ้าสมถานะได้อินรีสองมันกันคือคืออะไรถ้าสมถานะสมถานะได้อินรีสอง สติกับสมาธิเนี่ยนะสติกับสมาธิเป็นสมถะปัญญากับวิวริยะกับปัญญาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นเนี่ยนะวิริยะกับปัญญานี้เป็นสังขารขันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสังขารเหล่าใดสมถ ะ, ว, ะวิปัสสนาตัวนี้ไม่เป็นอารมณ์ของกามาสวะภวาสวะทิฏฐสวะอวิชชาสวะเพราะอะไร เพราะว่าเป็นอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระนี่นะวิริยินทรีย์ที่เป็นโลกุตระปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเพราะอินทรีย์คือวิปัสสนาเหล่านี้เป็นสังขารที่ไม่เป็นเหตุแห่งภพเพราะไม่ได้นำปฏิสนธิสังขารเหล่านั้นนี่แหละเป็นธรรมธาตุอันนี้เป็นการสงเคราะห์โดยธาตุธรรมธาตุอันใดอันนั้นแหละเป็นธรรมายตนะแต่ก็เป็นอายตนะที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นเหตุแห่งภพใหม่ อันนี้เป็นการอย่างลงด้วยอายตนะทั้งหลายฟังพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิก็ไม่มีความหวันว่นวายไม่อาศัยตัณหาทิฏฐิเพราะมีอะไรทวนไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิก็เนื่องจากมีสมถะและวิปัสสนาคนที่มีสมถะวิปัสสนาเรียกว่ามีวิชาถ้าวิชาเกิดขึ้นสารอ้อย อวิชาถ้าวิชาดับสังขารก็ดับวิ ว, วัตตก็เจริญอย่างนี้การดับวัตตก็มีได้ด้วยประการอย่างนี้วิปัสสนานั่นแหละเป็นปัญญาขันถ้าโดยอินทรีย์ก็เป็นวิริยินทรีย์และปัญญินทรีย์เป็นสังขารในในขันเป็นธรรมะในธรรมเป็นธรรมธาตุเป็นธรมนธร ม, ร ม, รมยตนะ อ, นนอันนี้เป็นการสงเคราะห์โดยปฏิจจสมุปบาทโดย Sea, do, uh, do ng, sea, t, อินทร์โดยขันโดยอินทรีย์โดยธาตุและโดยายตนะเนี่ยนะการยังลงได้อย่างนี้แหละเป็นโอตรนะหาระเนี่ยนะการยังลงโดยที่จริงแล้วคนที่ที่ที่สามารถอธิบายธรรมะได้อันหนึ่งหรือคนที่สามารถเจริญ ง, ง้องามในกุศลธรธรมได้อย่างหนึ่งคือเขาฟังหนึ่งคำหรือฟังพุทธพจน์หนึ่งบทหรือหลายๆบทก็ตามเขายัางลง5อย่างนี้ได้ทันทีเลยฟังปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าคืออะไร นะโทษอีกครั้งหนึ่งนะห้าคำจำให้แม่นเลยอย่างลงให้ได้คือโดยปฏิจจสมุปาโดยอินทร์โด ย, โดยสังขารโดยธาตุโด ย, าโดยอยายตนะเนี่ยนะฟังปั๊บเนี่ยอธิบายได้ห้าแยกออกเป็นห้ากลุ่มนี้ได้ก็เก่งละทำบุญอะไรมาน้อเนี่ยนะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องตั้งอัตตาสัมมาปณิที่สิว่าชาตินี้นะฟังทำต้องอย่างลงห้าอย่างนี้ให้ได้ต้องต้อง นะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะตั้งอัตตาสัมมาปณิทิว่าเราจะต้องฟังทำพั๊บจะต้องอยังลงห้าอย่างนี้ได้นะต้องต้องมีใจมีศรัทธาหน่อยนะถ้าไม่มีศรัทธานะยากเกินไปแต่ว่าก็ยากเกินไปแค่นั้นแหละจบเลยจบเ hey พเลยอะไรนะเนะ <laughs> อวังหน่อโบกมืออำลา <laughs> คนบอกมืออำลาเนติปกรณ์นี่ไม่ใช่น้อยนะ ขออย่าเป็นเรานะนึกในใจว่าขออย่าเป็นเรามาดูนะว่าปัสสัธยยาสติเมื่อมีความสงบสติตัวนั้นแปลว่าเมื่อมีนะปัสสัธยยาก็คือความสงบปกติคําว่าปัสสัตทีความสงบมีอยู่สองอย่างสองอย่างก็คือความสงบกายกับความสงบใจความสุขทางกายนี่นะความสุขทางกายจัดเป็นความสงบทางกายความสุขทางใจจจัดเป็นความ สงบทางใจกายที่สงบก็ย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นบุคคลผู้มีจิตตั้งมัน่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็มียานอย่างรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจสิบหกที่ควรทําทําสําเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี สบายเลยกันนี้เป็นธาตุหันนะถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ใช่ไหมเพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามนี้ได้ก็เกิดความสงบกายและสงบใจเรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นอ่านะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุขสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดยถาภูตยานัทสนะยถาภูตยานัทสนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนิพิถานิพิถาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิราคะวิราคะก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิมุตวิมุตก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิด วมุติญาณทัศนะเ น, นี่ยนะเรียนไปเรียนมาจะไม่เหลือภาษาไทยเท่าไหร่แล้วเนาะมันบางอย่างก็ต้องทับศัพท์เอาไว้ถ้าไม่ทับศัพท์นะแปลแล้วยุ่งมากเลยนะแปลแล้วธรรมะเนี่ยจะไม่ไม่เป็นระบบจะไม่เป็นลำดับยิ่งแปลมากยิ่งยุ่งความสุขเราจะนึกถึงสุขอะไรนะสงบนึกถึงอะไรดีนึกถึงใบไม้ที่ไม่มีลมพัดหรือว่าไงเอาสงบอ่ะนิ่งเลยนะ แล้วสุขล่ะสุขเนี่ยอธิบายาว่ายังไงดีอันนี้กายกสุขเจตสิกสุขเนี่ยนะเป็นความสุขทางจิตใจที่ไม่ถูกบาปอกุศลกลุ้มรมเนี่ยนะเป็นเป็นความสุขที่ไม่มีบาปอกุศลกลุ้มลมนะถ้าถ้าที่อื่นๆเนี่ยนะบอกว่าปัจสัทนี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้ปัจสถานี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปีติเป็นเหตุใกล้ปีติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปราโมทเป็นเหตุใกล้ปราโมทมีอะไรเป็นเหตุใกล้ อวิปปติสารเป็นเหตุใกล้อวิปปติสารมีอะไรเป็นเหตุใกล้กุศลศีลเป็นเหตุใกล้กุศลศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้โยนิโสมณสิการเป็นเหตุใกล้โยนิโสมณสิการมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีศรัทธาเป็นเหตุใกล้ศรัทธามีอะไรเป็นเหตุใกล้ฟังมาเป็นอย่างดีแล้วข้อมูลเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเนี่ยนะ่ยมันถ้ากล่าวตามนั้นก็คืออะไรนะตามปฏิสัมพิธามาก็สู่ตามมรยาท ต่อด้วยศีละมายายาัยญาณศีละมัยญาณก็สมาธิภาวนามายญาณปัจยภริกหาย า, ยานสัมมสัญาณอุทยพ ย, ายาัญญาบิปัสนายานเป็นต้นมันก็จะไล่ไปตามลาดับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องมีลําดับธรรมะในโลกนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่มันลอยๆยขึ้นมาไม่มีที่มาไม่มีที่ไปทุกอย่างในโลกเนี่ยต้องมีที่มาและที่ไปสมัยก่อนเนี่ยน ะ, ะผู้ที่เรียกว่าเป็นพระหูสูตรสมัยพุทธกาลเลยนะ เขาบอกว่าพูดหนึ่งคำรู้เลยว่าคำนี้มาจากไหนและจะไปไหนอย่างพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยนะพระพระอนนท์เนี่ยได้ยินพุทธพจน์สองบทหรือแค่บรรทัดสองบรรทัดรู้เลยว่าก่อนจะมีคำนี้มาจากไหนถ้ามีคำนี้แล้วต้องจบลงที่ไหนพระอนนท์เนี่ยรู้เลยคนที่ที่เรียนธรรมะถึงสูงสุดเนี่ยนะจบวิชากระบวนการธรรมะเนี่ยเรียนจนครบศาสตร์แล้วปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยจบลงที่ไหนเหมือนถ้าใครที่นับเลขเป็นเนี่ยนะ ถ้าพูด50นี่รู้เลยว่าก่อนจะมาถึง50นี่มาจากไหนแล้วหลังจาก50บคืออะไรรู้เลยใช่ไหมรู้คนที่รู้จักเส้นทางเนี่ยนะเส้นทางสายไกลไกลสายยาวๆเนี่ยพูดเส้นทางตรงกลางระหว่างนี่รู้เลยใช่ไหมว่ามาจากไหนเนี่ยนะคนที่รู้จักร่างกายอย่างดีเนี่ยพูดถึงแขนเขารู้อวัยวะส่วนอื่นไหมก็ตกส่วนไหนปั๊บจะรู้ส่วนอื่นๆได้ทั้งหมดคนที่ศึกษาธรรมะจะลักษณะเดียวกันพูดถึงตรงไหนปั๊บจะต้อง มองให้ออกทั้งหมดเนี่ยนะจะต้องมองภาพรวมออกทั้งหมดมันจะจับจุดตรงไหนก็ได้ตรงนี้พระมหากระจายนะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เก่งมากเลยท่านบอกว่าเมื่อสงบปสัทธิเมื่อมีปัสัทธิก็ทําให้เกิดสุขเมื่อมีสุขจิตก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็ยรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกํำนัดเพราะคลายกําหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้น ก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาตสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะไม่มีเลยไม่มีกิจอย่างอื่นเลยถ้าถ้าสังเกตดูขั้นตอนนิดหนึ่งนะว่าท่านจะพูดถึงวัตตะกับวิวัตตะถ้าวิวัตตะวัตตะคืออะไรคือผู้ที่อาศัยตันหากับอาศัยทิฐิตัญหาเป็นตันหาทิฐิเป็นอวิชชา หรือ อ, อาศัยตันหากาอาศัยทิฏฐิถ้าอาศัยตันหากอาศัยทิฏฐิตันหากับทิฏฐิหรือตันหากะวิชาจบลงที่ไหนก็อบายทุกติวินิบาตนรกหรือสังสารทุกข์ก็ไหลเป็นไปถ้าผู้ที่ไม่อาศัยผู้ที่ไม่อาศัยก็ย่อมไม่หวัน่นไหวถ้าไม่อาศัยตันหาไม่อาศัยทิฏฐิด้วยอานาจของสมถะและ วิปัสนาสมถาวิปัสสนานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดปัสสัททิปัสสัททิทำให้เกิดสุขสุขทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิ ด, กดยะถาภูตย า, านทัศนะนิพพิทาวิราคาวิมุตเป็นต้นก็ไหลสืบเนื่องกันไปลักษณะ น, นี้ก็ผู้ที่ปฏิบัติสำเร็จทรรมกิจเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์เรียกว่าเป็นพระอรหรันต์นะทกิจสรุปนะ คุณธรรมคือศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคาย า, านัศนวิสุทธิปฏิปทายาณัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิโดยเฉพาะญาณทัศนวิสุทธิแบ่งระดับโสดาปิมักสกาธาคามิมกักอนาคามิมกักและอรหัตตมักทีนี้ถ้าอารหัตตมักเนี่ยนะโสดาปิมักทำกิจ4ประการกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมัก สก่าทาคามิมักก e ็ทำกิจ4ประการกำหนดรู้ทุกละสมูทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมักอนาคามิมักก็ทำกิจ4ประการกำหนดรู้ทุกละสมูทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญเจริญมักคือเจริญตัวเองนั่นแหละอรหัตตมักก็ทำกิจ4ประการกำหนดรู้ทุกละสมูทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมักสีกิจของอริยสัจสี่คูณมักสีก็เท่ากับกิจ16 เมื่อทํากิจส like ิบหกเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อเพื่อการทําแบบนี้อีกแล้วกิจกิจเพื่อกําหนดรู้อุปาทานขันท่าไม่มีอีกต่อไปกิจเพื่อละสมุไทยไม่มีอีกต่อไปกิจเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งไม่มีอีกต่อไปกิจเพื่อเจริญอริยมรรคก็ทําเสร็จแล้วเขาเรียกว่าพระอาเสขะอาเสขะแปลว่าผู้ทํากิจเสร็จแล้วผู้ทํากิจเสร็จแล้วเมื่อทํากิจเสร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยพระอริยะบุคคลนั้นย่อมไม่น้อมไปใน รูปย่อมไม่น้อมไปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพะในธรรมารมณ์ทั้งหลายนนะเพราะอะไรเพราะสิ้นราคะสิ้นโทสะและสิ้นโมหะอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสน่นะถ้าสัตว์ทั้งหลายจะน้อมไปบางคนก็น้อมไปด้วยตัณหาบางพวกก็น้อมไปด้วยโทสะบางพวกก็น้อมไปด้วยโมหะทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ผู้ที่น้อมไปด้วยราคะโทสะโมหะเพราะอะไรน้อมไปด้วยโทสะเพราะไม่มีศีลน้อมไปด้วยราคะเพราะไม่มีสมถะน้อมไปด้วยโมหะเพราะไม่มีวิปัสสนาผู้ที่มีศีลสมถาวิปัสสนาก็จะไม่น้อมไปด้วยราคะโทสะและโมหะเพราะอะไรเพราะถ้าศีลสมถะวิปัสสนาที่สมบูรณ์แล้วก็สิ้นกำจัดราคะโทสะและโมหะ มันก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่น้อมไปด้วยอำนาจราคะโทสะและโมหะในรูปเสียงกลิ่นรสโภทภพภะธรรมรมทั้งหลายเมื่อบัญญัติสัตว์ผู้หยุดอยู่ไปอยู่พึงบัญญัติด้วยรูปผู้หลุดพ้นแล้วในนิพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งรูปเพราะความสิ้นไปแห่งรูปอนนะเพราะเพราะเพราะความสิ้นไปเนี่ยเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะสละเพราะสลัดอกอกแห่งรูป คือปกติเนี่ยนะคำว่าสัตว์เนี่ยอาศัยอะไรเป็นที่ยึดถือว่าสัตว์นะอาศัยรูปนะเป็นที่ยึดถือว่าเป็นสัตว์เพันผู้ที่รู้เหตุเกิดของรูปผู้ที่สามารถจําแนกรูปออกได้ว่ารูปเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้บัญญัติว่าผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นเนี่ยนะก็คือภูตรูปและอุปาทายรูป รูปเหล่านี้คือภูตรูปและอุปาทายรูปเกิดจากสมุทฐานสี่ก็รู้จักเหตุเกิดของรูปความดับแห่งรูปอัศธาแห่งรูปโทษแห่งรูปเมื่อรู้จักโทษแห่งรูปก็ปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปปฏิบัติเพื่อคลายเพื่อดับเพื่อสละเพื่อสลัดคือแห่งรูปอันนั้นเรียกว่านิสรณะแห่งรูปท่านก็ไม่เลยไม่ยึดถือว่าสัตว์มีอยู่ท่าน ถ้าอทหารเห็นรูปว่าเป็นสัตว์เห็นสัตว์ว่าเป็นรูปหรือใช่ไหมเห็นรูปว่าเป็นสัตว์หรือว่าเห็นสัตว์เป็นรูปถ้าทหารเนี่ยท่านเห็นรูปเป็นรูปท่านไม่ได้เห็นรูปว่าเป็นสัตว์แต่ผู้ที่ไม่เคยรอบรู้ในรูปจะเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์แต่ไม่ใช่ว่ารูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์เป็นที่ตั้งแห่งโวหารไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ารูปคือรูปโวหารว่าเป็น สัตว์ก็เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเมื่อท่านจำเนกได้อย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็เลยไม่ได้มีความสำคัญว่าสัตว์มีอยู่ด้วยอำนาจสัตตถิธิหรือก็ไม่ยึดติดว่าสัตว์ไม่มีอยู่ด้วยอำนาจอุเฉทถิติไม่ยึดติดว่าสัตว์มีหรือไม่มีบางพวกเขาบอกว่าบางอย่างมีบางอย่างไม่มีอันนี้ก็เป็นพวกเอกจัสัตติธิ ท่านไม่ยึดถืออีกว่าสัตว์มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ดังนี้ที่เรียกว่าอมราวิเคปะลัทธิว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะถ้าถ้าสมมติว่าลัทธิใดที่ยึดถือว่ารูปเป็นสัตว์จะตามมาด้วยทิฐิสี่ประการโดยมาณทิฐิสี่ประการทิฏฐิกลุ่มที่หนึ่งสัตว์มีอยู่แปลว่าจากกายนี้แล้วก็จะมีกายทีเดินออกจากกายนี้แล้วไปสิงอีกที่หนึ่งเนี่ยนะ เรื่อยลักษณะนี้นนเรียกว่ากลุ่มที่สัตว์มีอยู่อนี้เป็นพวกสัตตถิธิบางพวกบอกก็ถ้าเผาเสร็จแล้วก็จบเลยพวกนี้เป็นอุเฉททิฐิบางพวกนะบอกว่าบางอย่างก็มีบางพวกก็ตายแล้วเกิดอีกบางพวกก็ไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเอกัจสัตตถิธิ T. พวกนี้ถือว่ารูปบางอย่างเที่ยงรูปบางอย่างไม่เที่ยงบางพวกบอกจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ พวกไอมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนี่ยพวกนี้พวกปลาไหลเนี่ยอย่าไปคิดตามเด็ดขาดสรุปว่าพวกนี้จะตามด้วยทิฏฐิ4ประการถ้าหากว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอัตตาในรูปรูปในอัตตาอัตตามีรูปหรือว่ารูปอยู่ในอัตตาเนี่ยนะถ้าผู้ใดสำคัญแบบนี้จะตามด้วยลัทธิสี่ประการเหล่านี้เมื่อมีลัทธิสี่ประการเหล่านี้ขึ้นทิฏฐิก็เจริญขึ้นเมื่อทิฏฐิจเจริญขึ้นอะไรตามมา เมื่อทิฏฐิเหล่านี้จเจริญขึ้นอะไรตามมาตัณหาเป็นต้นก็ตามมาวัตฏาก็ยาวอ่ะนะสรุปว่าไอ้ความเห็นตัวนี้เนี่ยนะความเห็นตัวนี้ความคิดเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีโทษมากเพราะอะไรไอ้คาว่ามีโทษมากนะทําไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความคิดพวกเนี้มีโทษมากทิฏฐิเหล่านี้มีโทษมากมันจะไปจบได้ยังไงเพราะว่ามันต้นเหตุของสังสารวัฏทุกชนิดอ่ะนะ มันถือว่าเป็นความคิดที่เลวร้ายมาก <unexpectedly> เลวร้ายแค่ไหนก็ถูกเผาในน ร, รกเปรตเกิดในเปรตเกิดในสุรกาเกิดในเดราชานเป็นต้นมันไม่มีจบมีสิ้นอะ่ะมันเป็นอะไรนะเป็นโครงการที่ตั้งแล้วไม่มีการทําตามแล้วจบสิ้นอ่ะมันก็โครงการใดที่ทําแล้วไม่มีจบสิ้นเหนื่อยฟรีด้วยเนี่ยนะถามว่าโครงการนั้นเลวร้ายไหมเลวร้ายฉันใดความคิดใดที่นําไหลไปสู่วัฏฏะไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะความคิดนั้นเป็นความคิดที่ เลวร้ายเนี่ยนะามิจฉาทิฐิพวกนี้จึงเลวร้ายแต่พระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแท้จริงเนี่ยพระอรหันต์ถึงการนับว่าเป็นผู้ลึกซึง้งลึกซึ้งคัมภีรภาพเนี่ยนะมีความลึกซึง้งเป็นผู้ที่หาที่เปรียบไม่ได้นับไม่ได้และเป็นผู้ที่สงบแล้วเพราะอะไรรู้ได้ยังไงว่าท่านสงบเพราะท่านสิ้นราคะท่านสิ้นโทสะและท่านสิ้นโมหะ เมื่อท่านสิ้นราคาสิ้นโทสะสิ้นโมหะอย่างนี้เนี่ยท่านจึงเป็นผู้ที่ลึกซึง้งไอ้คนตื้นต้นเนี่ยคนมีราคาก็ตื้นใช่ไหมเผยตัวเองไม่ยากนะคนที่มากก็ด้วยราคาก็เปิดเผยตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้ลึกอะไรคนที่มีโทสะก็ไม่ได้เป็นคนลึกซึง้งคนที่ลุ่มหลงด้วยยิ่งยิ่งไม่ลึกะนะตื้นมากพวกนี้ตื้นมากว่า ง, งั้นหรือคนที่มีที่เปรียบเครื่องเปรียบนี่ อ, อะไรเป็นเครื่องเปรียบเอาราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องเปรียบ หรือคนที่นับได้เนี่ยก็ราคะโทสะโมหานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้นับได้คนที่ไม่สงบก็เพราะมีราคะโทสะโมหะเป็นเหตุให้ไม่สงบพราฉนั้นผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะจึงเป็นผู้ที่ลึกซึ้งเป็นบุคคลที่หาที่เปรียบไม่ได้เป็นบุคคลที่นับไม่ได้เป็นคนที่สงบแล้วเหนะ็นมเมื่อท่านสงบท่านจึงไม่สาคัญว่าสัตว์ไม่เห็นรูปโดยความเป็นสัตว์และท่านเห็นอะไร ก็เห็นรูปเป็นรูปเห็นรูปเห็นรูปเป็นรูปคือภูตรูปและอุปาทายรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปอัสาธาแห่งรูปอาทีนวะแห่งรูปและนิสรณะแห่งรูปเนี่ยนะถ้าถ้าจะเห็นว่าข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเห็นโดยความเป็นรูปเหตุเกิดรูปความดับรูปอัสาธาแห่งรูปอาทีนวะแห่งรูปนิสรณะของรูปนั่นคือของพระพุทธเจ้าถ้าของปุถุชนทั้งหลาย ลัทธิของเดรัฎีทั้งหลายที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะจะเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์นี้สัตว์นะบอกสัตว์มีอยู่สัตว์มีหรือไม่มีเอ้ยบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีเอ้ยจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เสร็จแล้วมันก็ตามมายาวเลยเป็นขบวนเลยอันนั้นคือลักษณะของเดรัฎีทั้งหลายเนี่ยนะก็จะเราจะเห็นว่าสายสัมมาทิฐิกับสายมิจฉาทิฐิเป็นอย่างไรสายมิจฉาทิฐิก็บอกสัตว์มีอยู่ พระพุทธเจ้าบอกทุกมีอยู่นอกจากทุกหามีไม่เอางั้นอุปาทารูปมีอยู่นอกจากรูปหามีสิ่งอื่นไม่ก็รูปมีอยู่แล้วก็พูดถึงว่าเหตุให้เกิดรูปคืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็จะมองความเป็นไปอย่างตลอดสายนั่นลักษณะของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพระพุทธะตัวนั้นแปลว่าปัญญาที่รรอบรู้ปัญญาที่ละปัญญาที่ทําให้แจ้งแล้วก็อบรมปัญญาอย่าง เต็มเตี่ยมและบริบูรณ์ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นศาสนาของผู้ที่อบรมปัญญาเป็นศาสนาที่ปฏิบัติไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดจากบทความอันนี้ก็ประกาศถึงว่าประกาศอริยสัจในรูปแล้ใช่ไหมพระอรหนันต์จะไม่สําคัญผิดในรูปเลยอันนี้อันนี้กลุ่มที่1นะกลุ่มที่สองเขบอกว่าเมื่อจะบัญญัติสัตว์ เมื่อจะบัญญัติสัตว่าสัตว์นี่หยุดอยู่สัตว์ไปอยู่สัตว์เกิดสัตว์ตายนี่อาศัยอะไรอาศัยเวทนาบ้างอาศัยใดๆกับบ้างอันเดียวกันบางกลุ่มก็อาศัยเวทนาบางกลุ่มก็อาศัยสัญญาบางกลุ่มก็อาศัยสังขารบางกลุ่มก็อาศัยวิญญาณอย่างสมัยใหม่เนี่ยวิญญาณล่องลอยเนี่ยนะสมัยใหม่เนี่ยถือให้ความสําคัญกับวิญญาณเนี่ยนะให้ความสําคัญกับวิญญาณว่าหนังสือสมัยใหม่เนี่ย ที่มองมาขายเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณล่องวิญญาณลอยวิญญาณสิงวิญญาณแทรกอะไรก็ว่าไปเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยถือว่าวิญญาณนี้เป็นสัตว์สัตว์คือวิญญาณวิญญาณคือสัตว์เนี่ยนะพอเข้าใจวิญญาณแบบนี้เข้าเดี๋ยวจะตามมาทีนี้ถ้าผ้าหันเนี่ยไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นสัตว์ไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นสัตว์ไม่เห็นสังขารโดยความเป็นสัตว์ไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็น สัตว์ก็เนื่องจากว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้เหตุเกิดของเวทนาและก็ความดับของเวทนาอะไรเป็นเหตุเกิดของเวทนาเอาใหม่ก่อนเวทนามีกี่อย่างสาอย่างสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอะไรคือเหตุเกิดของเวทนาอวิชชาตันหากรรมและผัสสะจากขูสัมผัสโสตขานาะเชียวหากายะและมโนสัมผัสเป็นเหตุให้เกิด เวทนาถ้าเวทนาจะดับเพราะอะไรดับอวิชชาตันหากรรมดับจักขู่สัมผัสโสตาคานะชิวหากายะมโนสัมผัสถ้ามโนสัมผัส ด, ดับเวทนาก็ดับอะไรเป็นอัาธาของเวทนาอาศัยเวทนาก่อให้เกิดสกสมนัตแล้วอะไรคือโทษของเวทนาเวทนาไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมด า, านะเวทนาไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นเป็นโทษของ เวทนาแล้วนิสรณะของเวทนาอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่มีนิพานเป็นอารมณ์นนะสรุปว่าเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรทัคขามินีปฏิปทาถ้าแทงตลอดอย่างนั้นได้ก็หลุดพ้นแล้วในนิพานเป็นที่สิ้นไปแห่งเวทนาเพราะานิพานนี่เป็นนิสระาเออเป็นอะไรนะความดับเวทนาใช่ไหม สัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธสัญญานิโรธคามินีปฏิปทาสังขารสังขารสมุทัยสังขานิโรธสังขารนิโรธาคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อท่านหลุดพ้นหลุดพ้นเป็นชื่อของอะไรนะทวนะเมื่อกี้บอกว่าหลุดพ้นเป็นชื่อของอินทรี่ห้านะศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญา มอินรียห้าที่มีนิพานเป็นอารมณ์ก็คือวิญญาณนิโรธเป็นอารมณ์อันนี้แหละอินรี่ห้าที่มีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นธรรมที่สิ้นไปเป็นธรรมที่ดับสาเหตุที่ทําให้เกิดวิญญาณท่านก็มีแต่ความท่านเนี่ยสินส้นสิ้นคลายดับสละสลัดออกแห่งวิญญาณก็คืออริยมรรคที่มีนิพานเป็นอารมณ์ก็ สิ้นสิ้นปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นในภพต่อๆไป น, นะคลายกำหนัดดับชันธราคะสละสลัดออกนิสรณะาจากวิญญาณนั้นท่านก็เลยไม่ยึดติดว่าสัตว์มีอยู่เพราะคนที่ยึดถือว่าเป็นสัตว์ก็ยึดถืออะไรว่ายึดถือวิญญาณในชะ่ไวิญญาณมีอยู่บางพวกบอกไม่มีตกลงมีหรือไม่มีสัตว์มีอยู่หรือว่าสัตว์ไม่มีสัตว์ไม่มีเหรออุเฉศ อันนี้สัตว์ไม่มีก็อุเฉดถ้าสัตว์มีสัตตะวิญญาณมีอยู่แต่ว่าวิญญาณตัวนี้เนี่ยนะปุตชนคนที่ไม่รอบรู้สำคัญว่าวิญญาณเป็นสัตว์เข้าพันสัตว์ตกลงมีอยู่หรือไม่มีพันอันนี้เป็นเหมือนกับถามเป็นคำถามที่เขาไม่คิดตามหรอกว่า ง, งั้นเหนหมว่าสานี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตกลงาวเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคอมพิวเตอร์นี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย บอกว่าใครคิดตามก็เพี้ยนกันนั่นแหละว่าเพี้ยนกว่าคนถามอีกเหมือนกันก <c oughs> ็ารทะเลาะกับคนเมาเนี่ยนะใครเมาออกันทะ <c oughs> เลาะกับคนบ้าใครบ้ากันฉันใดนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ถ้าลทัทธิทิฏฐิทั้งหลายลทัทธิเดรัทธิทั้งหลายเป็นลทัทธิที่ไม่ควรเอามาคิดเอามาตรึกเอามาตรองตามอะไรหรอกแต่บางพวกเดรัทธิบางกลุ่มก็บอกว่าสัตว์มีอยู่บางพวกกับสัตว์ในนี้บางพวกก็ บางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีบางพวกก็บอกมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่สรุปว่าถ้าสัตว์มีอยู่เป็นสัตตถิธิสัตว์ไม่มีอยู่เป็นอุเฉททิฐิบางอย่างมีบางอย่างไม่มีเอกัจจะสัตตถิฐิเอกจก็คือบางอย่างนะนะเที่ยงบางอย่างก็แปลว่าศูนย์บางอย่างบางพวกก็บอกอมราวิเเคปะนะให้ไปนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เล่นลิ้นไปเรื่อยแท้จริงผ้าหันเนี่ย พือผู้ที่ทำกิจในอริยสัจสี่สำเร็จแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่ลึกซึ้งหาที่เปรียบไม่ได้เป็นผู้ที่นันบไม่ได้เป็นผู้ที่สงบแล้วที่ท่านเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านสิ้นราคะโทสะและโมหะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นอริมณะปัจจัยแห่งราคะโทสะและโมหะของท่านอีกต่อไป ไม่มีรูปใดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดๆที่จะให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นสำหรับผ่ารหันทั้งหลาย ท, าท่านสิ้นอย่างนี้อาคติผ่ารหันเนี่ยนะไม่มีการจากพบอื่นมาสู่พบนี้ท่านจะไม่มีมาไหลมาสู่พบนี้อีกแล้วคติคือการไปสู่พบหน้าสรุปว่าผ่ารหันจะไม่มีการเคลื่อนไปคติห้านะคติก็คือไปสู่คติทั้งห้า ไม่มีเนวิทะไม่เห็นตนในอายตนะภายในหกนะฮุรังคือไม่เห็นตนในอายตนะภายนอกหกธาตหันไม่สําคัญว่าตาหูจมูกเล้นกายใจว่าเป็นอัตตาไม่เห็นว่ารูปเสียงกลื่นรถโพธะพระธรรมลมว่าเป็นอัตตาว่าเป็นอัตตาแต่ก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ในช่องว่างะระหว่างนี่ระหว่างตาระหว่างสีระหว่างหูระหวาห่หวางเสียงคือผัสสะเวทนาสัญญาเป็นต้นไม่ได้เห็นว่ามันอยู่ระหว่างพวกนี้ เรีว่านะอุพยมนตเตนะคือไม่เห็นตนในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมกับผัสสะอย่างเช่นอะไรนะบางพวกสําคัญว่าตาเป็นตนบางกลุ่มบ อ, อกสำคัญว่ารูปเป็นตนบางพวกบอกว่าเนี่ยการเห็นภาษาเวทนาที่เกิดขึ้นการเห็นว่าเป็นตนพวกนี้ก็สําคัญผิดทุกทวารเลยแต่พระอรหันต์ไม่ได้สําคัญผิดแบบนั้นเออเอเอสเอวันโตทุกขัสะได้แก่ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทนี่มีอยู่สองกลุ่มด้วยกัน2 อ, อย่างะนะคือโลกียะปฏิจจสมุปบาทกับโลกุตระสมุปฏิจจสมุปบาทอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเป็นต้นอันนี้เป็นโลกียะปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่เอาไปพูดอย่างไงหนึ่งะนะ บอว่าทุกครั้งที่เราลืมตาแล้วนำมาสู่ความเพลิเพลินและยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพื่อนี้ก็นำมาสู่ชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตนำมาซึ่งสังสารทุกไม่มีจบมีสิน้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยลืมตาขึ้นก็สามารถเจริญศีลเป็นผู้มีศีลทุกอารมณ์เนี่ยเป็นที่ทตั้งแห่งศีลเมื่อศีลเกิดขึ้นก็นาทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่ง อวิปัิสารไม่มีวิปัิสารทําให้เกิดปราโมทปราโมททาให้เกิดปีติปีติทําให้เกิดปัสสัตทิปัสสัตทิทำให้เกิดปป ar, discard, idea, <tr> สุขสุขทำให้เกิดสมาธิสมาธิทําให้เกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกํำนัดเพราะคลายกําหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วนะนะ ย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีพันธาสามารถทุกทวา a สามารถเจริญศีลหรือเรียกว่าเจริญไตรสิกขาเจริญศีลสมาธิและปัญญาอบรมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดสำเร็จอันนี้ก็เป็นสายโลกุต ร, ประปฏิจจสมุปบาทสรุปง่ายๆว่าวถ้าเราใช้ชีวิตปกติ โดยที่ไม่สนใจคำสอนเลยไม่มีสิกขาสามไม่มีมัก8ดในชีวิตเลยนั่นคือโลกิยะปฏิจจสมุบบาทจบลงด้วยชาติชรามรณะแต่ถ้าตรงกันข้ามมาเจริญศิกขาสามของพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตเป็นไปกับศิกขาสามให้อธิสีนอธิจิตและอธิปัญญาเจริญขึ้นสีนเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งอวิปฏิสารให้เจริญโงกเงยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงทำกิจอริยสัตย์สี่ ทั้งสี่มักสาเร็จก็ทําที่สุดแห่งวัตถทุกได้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็คงมองเห็นเส้นทางชีวิตเราออกว่าเรากําลังเดินซ้ายไหนอยู่คือเดินควบกันอยู่ขาซ้ายเหี้ยเหยียบอะไรนะขาซ้ายกับขาขวานี่เหยียบคนละที่อยู่ก็ดูนะก็เลยค่อนข้างกันหนักใจแบ่งเวลาไม่ค่อยจะถูกเลยเนี่ยนะอย่างเราแบ่งเวลาไม่ค่อยจะถูกเลยเดี๋ยวก็ต้องมาฟังทำเดี๋ยวก็ไปทํางานเนี่ยก็เลยว้ายุ่งไปหมดเลยกันเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าเหยียดสองข้างเลยนะ ก, ก็ดูกันแล้วกั น, กนว่าเมื่อใดที่แต่ถ้าถามว่าทํำยังไงดีละ่ะตกลงตกลงก็คือว่าทํำยังไงศึกขาสามจะได้มีในชีวิตมันการมาฟังทำการมาศึกษาพระธรรมการมาเรียนคมภี์ทั้งหลายแหล่วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้เหล่านี้เพื่อเราจะได้เจริญศึกขาสามนั้อย่างคำพี์เนติปกรณ์ก็เป็นคมภีร์ที่เรียนเพื่อให้ นำไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นการเรียนเพื่อให้เจริญด้วยเสกขาสามเป็นการเรียนเพื่อเจริญวิสุทธิเจเป็นการเรียนเพื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าปฏิบัติตามนี้ก็นำไปสู่มรรคผลและนิพพานนำไปสู่การทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ที่สำคัญนะโอตรนะหาระก็คือทุกอย่างทุกทวารทุกอารมณ์หรือทุกคำสอนที่เราฟังต้องอย่างลงสู่ปฏิจจสมุปบาทอย่างลงสู่ อะไรขันอย่างลงสู่อินทรีย์อย่างลงสู่ธาตุอย่างลงสู่อายตนะถ้าอย่างลงอย่างนี้ได้ก็นี่ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำที่สุดแห่งทุกได้ช่วงเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนโอตทนาฮาระยังไม่จบ